มทรรัตนาโกสิล์เชิญร่วมการประชุมวิช Simply, าการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลรัตนโกศิล์ครั้งที่4และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนาโกศิล์ครั้งที่1 The f i r s t National r m u t r Conference and the f i r s t International r m u t r Conference การยกกระดับวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในวันที่27มิถุนายน2512ณห้องพานุต <JAM> รังสีบอลลูมชั้น1 โรงแรมบริโอ้ริเวอกรุงเทพมหานครซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกจารันกุลวณิชนายกสภามหาวิทยาลัยมาเป็นประธานในพิธีและภายหลังในงานจะมีการบรรยายพิเศษจากดรวิพรัชดีอ่องรองผู้อํานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติในหัวข้อทิศทางและกรอบงานวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งในขณะ น, นี้มีจำนวนผู้เข้าลงทะเบียนส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน205บทความและระดับนานาชาติ47บทความสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 441 6059หรือเว็บไซต์ m u t r c o n rmutr.ac.th สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรั ต, ะตะนโกสินทร์รายงานกรมธนารักษ์เดินหน้าบ้านคนไทยประชารัฐให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ 4,000 ล้านบาทนำร่องใน8จังหวัดนายอำนวยปรีมณวงศ์อดีบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ บนที่ดินราชพัสดุระหว่างกรมธนารักษ์ธนาคา n า k สงเคราะห์และธนาคารอมสินโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่มีรายได้น้อยและอยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนที่มีไรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือนได้มีที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกภาคทั่วประเทศโดยมีโครงการนำร่องในจังหวัดชนบุรีประจวบคีรีขันธ์เชียงใหม่เชียงรายลำปางขอนแกน่นอุดรธานีและนครพนมรวม8จังหวัด4ภาค ทั้งนี้ความร่วมมือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอมสินสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสําหรับดําเนินโครงการประมาณ 4,000 ล้านบาทใน2กลุ่มประกอบด้วยสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยกําหนดอัตราดอกเบีย้ยปลนปีที่1นึ่ถึงสร้อยละสต่อปีหลังจากนั้น M.L.R. ร้อยละ1ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน5ปีและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกําหนดอัตราดอกเบีย้ยปลนปีที่1นถึงสร้อยละ 2.75 ต่อปี หลังจากนั้น MLR ร้อยละ 0.75 ต่อปีระยะเวลากู้ไม่เกิน30ปีโดยล่าสุดมีผู้จองสิทธิ์จำนวน 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 9.8 ของยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิตรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี